ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัญนาทรถวินีตสูตรเนี่ยเปรียบเทียบการปฏิบัติเหมือนกับรถเจ็ดพลัดข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวลวันอันเป็นที่พระราชทานเยือแก่กระแตกรุงราชครึกเนี่ยนะ ก็ตอนนั้นแสดงว่าเป็นปฐมโพธิการคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้เผยแผ่พระธรรมไม่นาน น, น, นะ่วปีสองปีนี่แหละครั้งนั้นภิกษุชาวชาติภูมิชาวชาติภูมิก็คือชาวแคว้นสกกะจำนวนมากจำพรรษาแล้วในชาติตภูมิพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เหตุการณ์นี้แสดงว่าหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วสองพรรษาเนี่ยนะพรรษาที่ถือผ่านไปสองพรรษากระว่าย่างเข้าสู่พรรษาที่สามทีนี้เมื่อพระพิสุท์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าะระเบียบในอัตกถาจะทำให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างเพิ่มทำไมที่ประทับตรงนั้นจึงเชื่อว่า เวลุวันกัลันทกะนิวาปัสถานเวลุวันนี่แปลว่าสวนไม้ไผ่ป่าไผ่นั่นเองด้่ยเลยเรียกว่าเวลุวันปัจจุบันนี้ก็ยังมีป่าไม้ไผ่อยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็มีกระแตกระรอกกระแตก็ยังพอมีเหลือสถานที่ตรงนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นสวนเวลุวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่พวกกระแตอุทยานนั้นเป็นสวนไม้ไผ่ล้อมรอบเอาไว้มีกำแพงสูง18ศอก ประกอบด้วยซุ้มประตูและป้อมสีเขียวสดใสน่ารื่นรมเลยเรียกว่าเวลุวันตอนนี้ก็ยังน่ารื่นรมอยู่นะน่านั่งเล่นยังสบายอยู่ส่วดมอนต์ไหว้พระก็กําลังดีเลยปีที่แล้วไปสวดมาคะที่เวลุวันเนี่ยไนหะปีนี้อดเลยเว mm hmm. ลกกุวันกาลันทกานิวาปสถานสถานที่ตรงนั้นเนี่ยนะเป็นที่เรียกว่าให้พระราชทานหรือให้เหยื่อแก่พวกกระแตเนี่ยเรื่องราว ก่อนหน้านี้มีอยู่ว่าพระราชาพระองค์หนึ่งไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารนะแต่ว่าเป็นพระราชาองค์ก่อนๆ น, นะนะเสด็จมาเพื่อทรงกีฬาในพระราชุทยานีนนะ่ก็มาเที่ยวมาเล่นแล้วก็เมาด้วยน้ำจันทร์บันทมหลับไปในตอนกลางวันแม้ชนที่อยู่้างข้างเคียงเท้าเธอรู้ว่าพระราชาบันทมหลับแล้วก็จิตช่วยดอกไม้ผลไม้เป็นต้นก็แยกย้ายกันไปคราวนั้นงูเห่าตัวหนึ่ง ได้กลิ่นสุราก็เลื้อยออกมาจากโพรงไม้ต้นหนึ่งบายหน้ามาทางพระราชารุกเทวดาเห็นงูเห่านั้นแล้วก็แปลงเพศเป็นกระแตหมายจะช่วยชีวิตพระราชาคือพระราชาเนี่มีบุญมากะนะมีอรักเทวดาคอยปกปักรักษาเทวดานั้นก็แปลงมาเป็นกระแตกระทําเสียงที่ใกล้แพักกันกระแตมาร้องใกล้หูพระราชาพระราชาก็ตื่นบรรทมพอตื่นบรรทมพระราชาขยับตัว ง, งูเห่าก็เลื้อยกลับเข้าไปในโพรง เท้าเธอทอดพระเนตรเห็นกระแตนั้นก็ทราบว่ากระแตนี้ช่วยชีวิตเราเอาไว้ก็เลยวางเหยื่อเอาไว้ในพระราชุทยานนั้นเพื่อกระแตทั้งหลายแล้วก็โปรด ป, ประกาศเปล่าประกาศว่าเป็นสถานที่อภัยแก่กระแตพันใครห้ามฆ่ากระแตนะบริเวณนี้ถ้าฆ่าก็มีโทษเหมือนกันน่ยปรับผิดกฎหมายเหมือนกันตอนนั้นพระองค์ก็อยู่จำพรรษาพรรษาที่สองอ่ะนะพรรษาแรกพระองค์ประจําพรรษาอยู่ที่ที่ไหน ไปสิปตนามฤรกระธายวันออกพรรษาพระพุทธเจ้าก็มาปโปรดพระพิสุชาวเมืองราชครืกเนี่ยนะแตสรุปองค์ก็ไ ป, ปโปรดที่เมืองกบิลพัทแล้วก็กลับมาที่เมืองราชเครือกอีกอันนั้นแล้วพระองค์ก็มีการไ ป, ปโปรดเมืองไภสาลีเมืองอะไรเป็นต้นนะแล้วก็จําพรรษาอยู่ที่เมืองราชครืกเนี่ยจํารรษาเมืองราชครืกระหว่างที่พระพุทธเจ้าไ ป, ปโปรดแคว้นกบิลพัทหรือแคว้นสักกะ ณนะตอนนั้นเนี่ยนะแรกกระสรูนะผ่านไปหนึ่งพันษาที่พระองค์ไปสอนแล้วก็มีหลานของพระอัญญาโกณทัญญาออกบวชเป็นอาจารย์ใหญ่ก็คือเนี่ยพระปุณณมานตานีบุตรก็คือหลานของพระอัญญาโกณทัญญานั่นเองพระ อ, อ, องค์ที่จะกล่าวกันต่อไปเนี่ยนะทีนี้พูดถึงว่าพระพิสุที่เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาประมาณกัน ประมาณห้ารอรูปเป็นชาวชาติภูมิในอัตถกาถาหน้าส5 7ห้าบเจดบทว่าชาติภูมิได้แก่ชาวชาติภูมิคำว่าชาติภูมิเนี่ยแปลว่าภูมิเป็นที่เกิดใครเกิดละ่ะไม่ใช่พระเจ้าโกศนเกิดไม่ใช่คือไม่ใช่พระราชาองค์อื่นเกิดไม่ใช่พวกพรามทั่วไปเกิดไม่ใช่ที่เกิดของเท้าสั ก, กะเท้าสุยนเท้าสันดุสิตตลอดจนถึงไม่ใช่เป็นที่เกิดของเขา มหาพรหมไม่ใช่ที่เกิดของพระอสิติมหาสาวกแล้วก็ไม่ใช่ที่เกิดของสัตว์อื่นที่เรียกว่าชาติตูพูมชาติติพูมิตัวนี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงที่เกิดของคนอื่นแต่ที่เป็นที่เกิดของใครของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะวันประสูตร น, นะเป็นที่ที่ประสูตรก็คือในวันที่พระสัพพัญยูโพธิสัตว์เจ้าพระองค์ใดเกิดแล้วหมื่นโลกธาตุ เกลื่อนกลนด้วยทงและดอกไม้เป็นอันเดียวกันหอมตลบไปด้วยกลิ่นดอกไม้และจุนอบรุ่งเรืองเหมือนนำถทวนที่มีดอกไม้บานสะพรั่งไปทั่ว น, นะพื้นดินตรงนั้นหรือว่าบริเวณทั้งหมดนี้ก็หวั่นไหวเหมือนกับหยดน้ำบนใบบัวปาฏิหารเป็นอันมากเช่นคนตาบอดเห็นรูปได้เป็นต้นก็เป็นไปแล้วที่เกิดอันนั้นเป็นที่เกิดของพระสัพพันยูโพธิสัต นะโดยเฉพาะสัพพัญยูโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็อยู่ในแคว้นสักก ะ, ะเรียกว่าสักกะชนบทเรียกว่าชาติภูมิก็หมายถึงว่าชาวแคว้นสักกะนั่นเองพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะอยู่จำพรรษาครบสามเดือนปวารณาแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านี่นะพอไปถึงพระพุทธเจ้าก็ทาปฏิสันถานต้อนรับอาคันตุกะ นะวิธีการพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เห็นใครก็เงียบไปเลยไม่ใช่นะพระองค์ก็มีการปฏิสันฐานกับอาคารตุกะชื่อว่าเป็นเป็นวัดอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเช่นคําถามว่ากิจจิพิกขเวคมณียังอธิบายว่าคือพระพุทธเจ้าปฏิสันฐานสอบถามพิสูจนทั้งหลายว่าเธอพออดทนได้ไห ม, ไมนะก็ถ้าอดทนได้ไหมหนึ่งพอเป็นไปได้ไหมใช้ชีวิตเป็นเป็นไปได้ไหมเดินทางไกลามาไม่ลําบากหรือ เธอไม่ลำบากด้วยอาหารบินทบาทหรือแล้วสุดท้ายก็คือพวกเธอมาจากไหนนี่ออกนายหนึ่งอีกนายหนึ่งก็บอกว่าสรีระยนะมีจักรสีทวานเก้าของเธอพอทนไปได้ไหมพอเป็นไปได้ไหมตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาลำบากไหม น, นะเธอไม่ลำบากด้วยอาหารบินทบาทหรือพวกเธอมาจากไหนพิสูจนเหล่านั้นก็ตอบโดยมากก็ตอบสั้นๆพอได้ใจความ เพราะอะไรเพราะเขาอยากฟังพระพุทธเจ้ามากกว่าเพราะไม่ได้มาเทศถวายพระพุทธเจ้านะไม่ได้มาเทศถวายมะะันก็จะตอบคาถามอย่างนั้นโดยมากก็ตอบสั้นๆซึ่งพระพิสุเหล่านั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพวกข้าพระองค์มาจากชาติภูมิคือกบิลพัทในศักกชนบททีนี้เมื่อพระพิสุเหล่านั้นเนี่ยที่มาจากชาติภูมิเนี่ยนะ มาจากชาติภูมิมาจากถิ่นหรือมาจากเมืองของพระพุทธบิดาเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ถามถึงพระเจ้าสุดโทธนะเลยไม่ถามว่าเป็นยังไงพระราชาสุดโทธนะสบายดีหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบ้างไหมพระเจ้าสุโกโธนะสักโกธนาะโตโทธนาะอมิตโตทนะหรือพนางอมิตาเทวีพระนางประชาบดีเจ้าสักยะทั้งหลายทั้งปวงสบายดีกันไหมบ้านเมืองสงบร่มเย็นไหมไม่ถามถึงแม้แต่คําเดียว ทีนี้ถ้าพระพุทธเจ้าถามถามอะไรเมื่อจะถ า, ถามถามถึงพิสูุผู้ได้กระถาวัตถุสิบด้วยตนเองขณะเดียวกันก็ยังชักชวนผู้อื่นในข้อปฏิบัติเพื่อสมบูรณ์ด้วยกระถาวัตถุสิบคือตัวเองเป็นคนที่ปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติคือกระถาวัตถุสิบประการแล้วสอนให้คนอื่นปฏิบัติตามกระถาวัตถุด้วยนี่คือบุคคลที่พระพุทธเจ้าจะถามถึง จริงๆแล้วในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าถามถึงใครเนี่ยน้อยมากน้อยมากไม่มีไม่กี่คนอ่ะนะที่พระพุทธเจ้าถามถึงก็คือมีเรื่องอะไรก็คุยกับบุคคล น, นั้นเฉพาะตัวไปก็คือมีธุระระหว่างพระพุทธเจ้ากับบุคคลที่เข้าเฝ้าเท่านั้นอะ่ะโปรจะไม่เที่ยวกว า, กาดกลราดคุยไปสามเรื่องเจ็ดเรื่องคุยไปเรื่อยเปลือยไม่มีคุยเฉพาะตรงประเด็นเนี่ยนะถ้าเขาได้สําเร็จกิจแล้วก็เข้าไปเพราะพุทธเจ้าเองก็มีสํา น, นวนว่าเป็นคนที่บริหารเวลาจํากัดในเวลาที่ จำกัดเพราะความเป็นพระพุทธ เ, เจ้าพราะองค์ดารงอยู่45ปีนี้ก็ชื่อว่าเวลาที่จํากัดมากเนี่ยนะเรตั้ง45ปีนั้นจำกัดและของพวกเรานะหารเท่าไหรด่ดีหารหนึ่งหารหนึ่งก็45ถ้าหารสองลดไปหวบเลยเหลือ22ปีครึ่งเนี่ยนะถ้าหารสามล่ะเนี่ยโอ้ยค่อยลดไปเรื่อยเนี่ยนะก็ดูเอาว่าอายุของเรานี่เหลือเท่าไหร่เอาแล้วเวลาชีวิตที่เหลือเราควรจะอยู่ด้วยอะไร เราทั้งชาติเนี่ยเรามีสิทธิพูดอีกกี่คํอาอ้าขอพูดคําว่าอะไรมากที่สุดนะชาตินี้มีเวลายืนเดินนั่งนอนก้มก้มเงยเเนี่ยจะขอก้มเงยทาอะไรมากที่สุดคิดว่าจะได้กราบพระเจดีหรือกราบพระพุทธเจ้าอีกสักพันครั้งได้ไหมคํานวณนวันหนึ่งถ้ากราบเช้ากลางวันเย็นวันละเก้าครั้งถ้าไปไหว้เจดี JD, นะสี่ทิศสี่ทิศสามสี่สิบสองเลสบสอครั้ง เดือนหนึ่งกราบทุกวันหรือเปล่านาะเรามาไล่ดูบุกลบคูณหามนะทั้งชาตินี้จะได้กราบพระพุทธเจ้าอีกกี่ครั้งเราอ่านะนะสินิ้วเนี่ยมาบรรจบการปนมมือคิดว่าจะได้ยกมือไหว้พระพุทธเจ้าทั้งหมดกี่ครั้งเราคิดดูนะอ่านะคำพูดนี่เราสามมีสิทธิ์พูดอีกกี่คำเนี่ยตามจากคุณภาพคอคุณภาพเสียงคุณภาพปอดสุขภาพอนามัยเป็นต้นเนี่ยนะไม่รวมมีโรคปวดฟันเราสามารถพูดได้อีกกี่คําพูดอรดี ิติีพิโซพระขวารหังสัมมาขสาษะโทษนะมาไม่โมทนากับตัวเองก็ได้เนี่ยนะเพื่อแต่เดี๋ยวกลับไปสวดต่อเนยนะเนี่ย<ส>ต่อไปเอา <c oughs> แล้วถ้าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนถ้าจะคิดเหลือเวลาคิดอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยก็มาคิดดูพันก็ต้องใช้เวลาที่เรียกว่าจํากัดเนี่ยนะให้มีประโยชน์สูงสุดไม่อย่างนั้นชาติหน้าเนี่ยบ่นเหมือนชาตินี้อีกหัวทำอะไรอยู่ทาบุญน้อยอย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยนะชาติหน้าจะต้องเสียใจอไหมน้องเรืองไม่มากันนะ อย่าเสียใจเลยเนาะแต่ว่าไม่เสียใจหมายค่าว่าฉลาดเท่าเดิมและแกล้งทําเป็นไม่เสียใจหมายฉันมั่นใจ ท, ทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรจะมั่นถ้าอย่างนั้นหน้าสงสามที่สุดเนี่ยนะทีนี้พระพุทธเจ้านั้นจะไม่ถามถึงบุคคลทั่วๆไปคือจะไม่ถามถึงใครเช่นถามแม้กระทั่งพระพุทธบิดาเป็นต้นปรองก็ยังไม่ถามถึงประชาชนชนบทเป็นต้นปรองไม่ถามถึงแต่ถามถึงผู้ที่ได้ กถาวัตถุสิทธิ์ด้วยตัวเองแปลว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติมากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารกความเพียรนะเป็นคนที่เรียกว่าสันโดษเนี่ยนะแล้วก็เป็นผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะแล้วสอนคนอื่นอย่างนั้นด้วยและก็มีผู้ที่ปฏิบัติตามสําเร็จด้วยพระพุทธเจ้าจะถามถึงบุคคลทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะซึ่งข้อความที่เป็นพุทธพจน์คําถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในชาติภูมิเนี่ยนะชาติภูมิคือเป็นเมืองเกิดของพระองค์เองเนี่ยภิกษุรูปไหนหนอที่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจันทร์ชาวชาติภูมิยกย่องอย่างนี้ว่า ตนเองเป็นผู้มรคน้อยนะนมรคน้อยสองสันโดษ3วิเวกคือเงียบสงัส4ไม่คลุกคลีด้วยหมูห่5ปรารบความเพียร6สมบูรณ์ด้วยศีลเจสมบูรณ์ด้วยสมาธิ8สมบูรณ์ด้วยปัญญา9สมบูรณ์ด้วยวิมุตและ10 ส, สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยานทัศนะคือเป็นผู้ที่มีคุณนะสมบัติดำรงอยู่ด้วยกระถาวัตถุสิบประการ